ยาวักตาติยากะเพียงไรแต่ครั้งที่สามหรือสวดจนถึงสามครั้งหรือสงสวดครบสามครั้งภิกษุจึงต้องอาบัติสังฆาทิเศษยิ้มแย้มยิ้มคือแสดงให้ปรากฏว่าชอบใจด้วยริมฝีปากและใบนหน้าหรือแก้มแย้มคือเผยเยอริมฝีปากออกน้อยๆพอเห็นไรฟัน กล่าวสั้นคือยิ้มเห็นแก้มย้ำเห็นฟันซึ่งเป็นอาการที่สมควรแก่สมณะคำว่ายุคคือสมัยหรือคราวรจนาคำผีคือเขียนตำราแต่งตำรารัตนวักบทแห่งศิษขาบทว่าด้วยเรื่องรัตนะเป็นต้น รัตนะคือแก้วหรือของวิเศษหรือของมีค่ามากตลอดจนถึงคนและสัตว์เช่นรัตนะเจ็ดของพระเจ้าจากักรพรรดิหรือหมายถึงของประเสริฐสุดรัตนะเจ็ดของพระเจ้าจากักรพรรดิคือช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วขุน ค, คลังแก้วขุนพลแก้วจักแก้วและแก้วมณี ราชาพิเศษการแต่งตั้งโดยการทำพิธีรถหรือพิธีขึ้นสวรราชของพระเจ้าแผ่นดินรูปประพันธ์ลักษณะรูปร่างและสีหรือทองเงินทำเป็นเครื่องใช้สอยหรือเครื่องประดับรู ป, ปียะเงินตราของที่ใช้แทนเงินเช่นธนบัตรเป็นต้น